50 languages. ยี่สการนัดหมายเียนคุณพลาดรถโดยสารหรือเปล่าคะนีวุ่นุ่นใเรดววิต ดิฉันรอคุณครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะนองวุณ ก, ก้าวอริมันนีเนรมกาดตุ้กคนไ ด, ด้ยินด้ยคุณมีมือถือติดตัวไม่ใช่หรือคะเยนวุนวัมสม์ไคเป้ซีโมอเบิลโฟนอิลลยอะครั้งหน้าขอให้ตรงเวลานะคะอดุตรดะดะดวยเรมทวรารอดี ครั้งหน้านั่งแท็กซี่นะคะอดัตตัดอวัยแท็กซี่ก็วันเดียวเดครั้งหน้าเอาร่มมาด้วยนะคะอดัตตัดอดดวัยคุยยัดทุกคนด้วยพรุ่งนี้ดิฉันหยุดค่ะยันักก์น่าเลายวิดมุไรพรุ่งนี้เราจะพบกันดีไหมคะ นามนาเลยสันดิพงม์ขอโทษค่ะพรุ่งนี้ไม่ได้ค่ะมันนิควุ๋มยันนาลนาเลยวรนอืยอะแล้วสุดสัปดาห์นี้คุณมีอะไรทําหรือยังคะนิ่งัลอินดาบาร์ยืนดิกเยิรกันเวทิตตมยึดมไวยตริกรีอล่าหรือว่าคุณมีนัดแล้วคะ அ ัลลัดุวันักเยอรมันเววีร์ยอร์เยี்นน์นุ่มซันดิกก์เวน க ีริกรดาิฉันเสนอให้เราเจอกันวันสุดสัปดาห์เย க ักต தோன்றுகிறது நாம் வ ா์ இ ற ு த ிิเกิลซันดิกกาลามินดร์เราไปปิกนิกกันดีไหมคะนามปิกนิก போகலாமா เราไปชายหาดกันดีไหมคะ นาม்ด ட ร்กันเองพกกลามาเราไปเที่ยวภูเขากันดีไหมคะนามมา ல ைยคด க ் க ก ப พกกล้ามาดิฉันจะไปรับคุณที่ทำงานนா ன ்ุ่น ன นอ ல ுว ல க ลก த ி ல ி ர ு ந ்รு க ூ ட ்ดிกคูติเฉลขีเรนดิฉันจะไปรับคุณที่บ้านนน์ว ன ่นไนวุ่น ட ีทி่เรื่องเด็ ட คูต ச ெ ல ் க ிเே ன น ดิฉันจะไปรับคุณที่ป้ายรถโดยสารนอนวุนในเพื่อนรุนเดียเลยติดรื่งดกูติเชลกีเรน